สิกขาบทวิพัง539คำว่าก็เจาะจงพิกูุได้แก่เพื่อประโยชน์ของพิสษุคือมุ่งเฉพาะพิกษุปรารถนาจะให้พิสูจครองจีวรที่ชื่อว่าพระราชาได้แก่ผู้ครองราชสมบัติที่ชื่อว่าราชอามานได้แก่ข้าราชการที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงที่ชื่อว่าพรามได้แก่พรามโดยกาเนิดที่ชื่อว่าข้าบดีได้แก่ คนที่เหลือยกเว้นพระราชาราชอาราหมณ์ชื่อว่าข้าบดีที่ชื่อว่าซับเป็นค่าจีวรนได้แก่เงินทองแก้วมณีแก้วมกดาแก้วตาแมวหรือแก้วผลึกคำว่าซับเป็นค่าจีวรนนี้คือซับที่เขาจัดหาไว้เฉพาะคำว่าซื้อคือแลกเปลี่ยนคำว่านิมนต์ให้ครองคือจงถวายถ้าทวดนั้นเข้าไปหาพิจูร์รูปนั้นหือปล่าว่า ท่านผู้เจริญข้ามนำทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้มาเจาะจงท่านท่านจงรับทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้เถิดพิสุนั้นพูดกล่าวกับโทษนั้นอย่างนี้ว่าพวกอัตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามการถ้าโทูตกล่าวกับภิกสุนั้นอย่างนี้ว่ามีใครผู้เป็นวายาวชกรของท่านบ้างไหมภิกษูผู้ต้องการจีวรพึงแสดงโคนมัดหรืออุบาสกให้เป็นวายาวิจกรว่า ผู้นั้นเป็นไวยาวิจกรของภิกษุทั้งหลายไม่พึงกล่าวว่าจงให้แก่ผู้นั้นหรือว่าผู้นั้นจะเก็บไว้หรือผู้นั้นจะแลกหรือผู้นั้นจกซื้อถ้าทูตตกลงกับไวยาภิจกรแล้วพึงเข้าไปหาภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่ากระผมตกลงกับคนที่ท่านแนะว่าเป็นไวยาวิจกรแล้วท่านจงไปหาในเวลาอันสมควรเขาจะนิมนต์ท่านให้ครองจีวรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุต้องการจีวรพึงก็ไปหาวิยาวัชกรแล้วทวงหรือเตือนสองสามครั้งว่าอาตมาต้องการจีวรไม่พึงกล่าวกับเขาว่าท่านจงให้จีวรแกอาตมานําจีวรมาให้ตามาแลกเปลี่ยนให้ตามาหรือจงซื้อจีวรให้อาตมาแม้ครั้งที่สองก็พึงกล่าวกับเขาแม้ครั้งที่สาก็พึงกล่าวกับเขาถ้าให้เขาจัดการสําเร็จได้นั่นเป็นการดีถ้าให้สําเร็จ พึงไปยืนแสดงตนนิ่งๆในที่นั้นไม่พึงนั่งบนอาสนะไม่พึงรับอามิ t h ไม่พึงกล่าวธรรมเมื่อเขาถามว่ามาธุระอะไรพึงกล่าวกับเขาว่าท่านจงรู้เองเถิดถ้านั่งบนอาสนะหรือรับอามิ t หรือกล่าวธรรมชื่อว่าตัดโอกาสแม้ครั้งที่สองก็พึงยืนแม้ครั้งที่สามก็พึงยืนทวงสี่ครั้งพึงยืนได้สี่ครั้งทวงห้าครั้งพึงยืนได้สองครั้ง ทวงหกครั้งแล้วไม่พึงไปยืนถ้าเธอพยายามยิ่งกว่านั้นให้เขาจัดจีวันสำเร็จต้องอาบัตรทุกกฎเพราะพยายามจีวันเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจิวันที่เป็นนิสกีอย่างนี้